กีกรรต่างๆก็เพื่อที่จะทำให้ถูกต้องกับสมมติแต่ในสมมตินั้นถ้าไม่มีปรมัติอยู่เลยเราก็ได้ประโยชน์น้อยเพื่อสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีเท่านั้นแต่ถ้าในสมมตินั้นมีเรื่องของปรมัติอยู่ด้วยมันก็ได้ประโยชน์มาก อ น, นอกจากสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามแล้วก็ยังได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจนะงานประเพณีต่างๆก็เพื่อให้จุติรวมคนมาเพื่อมารับอสุนที่เป็นธรรมคือส่วนที่เป็นปรมาจิตก็คือมานั่งสมาธิมาฟังธรรมมาจเจริญภาวนาในส่วนที่เป็นปรมัตา ในส่วนที่สมมุติก็คือการมีการสวดการถวายทานการาตาดับตกแตง่งอะไรต่างๆนี่เป็นเป็นตัวสมมุติในส่วนที่ทําให้จะปรามัติเกิดขึ้นที่เราจัดในวินปัสสนาอุทิศนี่ก็ปรามาจิก็ได้มากกว่าที่เราจัดางานบ้านศพ บ, บ้านศพในส่วนที่เป็น ปรมัดก็ไม่ค่อยชัดเจนในส่วนที่ได้ก็คือนิมนต์พระไปสวดไปแสดงธรรมซึ่งในช่วงพระสวดคนฟังก็ไม่ได้ตั้งใจฟังในช่วงพระเทศคนฟังก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะจดจำไปปฏิบัติปรมามัตดเกิดในจุดนั้นน้อยมากแต่ถ้าหากเราจัดวิปัสสนาแบบอุทิศเนี่ยคนฟังก็คนที่มาร่วม ก็มาได้มาร่วมเฉยๆได้มาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็เกิดปรมาตะแล้วแต่ในช่วงแต่ละวันก็มีการฟังธรรมเช้าเย็นก็เป็นภาวะของเกิดแต่จะทำปรมาภะหรอกคนคนเป็นจะได้ตรงนี้แต่คนตายนี่จะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่แน่ๆในคนเป็นคือได้ ในส่วนของชาวบ้านก็จะทำแบบสมมติกับทั้งหมดเอาโทรศัพท์ออกจากที่จักบางอยู่บนอ อ, ออกในส่วนที่าชาวบ้านจะได้ก็สืบสารประเพณีการอยู่การกินกานมาสแสดงความาให้กำลังใจแก่ญาติผู้ตาย นั่นแล้วในส่วนที่จะได้แตนั้นเองการวิพากษ์ารณ์ที่จึงเป็นกนารนอกจากสื่อสารขนุนทะเนืยมประเพณีแล้วยังเป็นการสืบสา ร, สารศาสนธรรมและสืบอายุพุทธศาสนาด้วยก็จึงเป็นงานที่มีประโยชน์มากถ้าจัดได้ทุกงานประชาชนพลเมืองก็จะได้แบบอย่างที่ดีก็ได้ธรรมะได้ประมัจเข้าไปใช้ถึงแม้จะเป็นประมาจชั่วคราว ไม่ใช่เป็นอุรรตโดยทาววอนก็ยังดีซึในแง่ของการพัฒนาจิตนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะ ส, งส่งเสริมไม่มีกิจกรรมแบบนี้ให้มากขึ้นการสูญเสียก็น้อยในแง่สมมติรามีการสูญเสียมากการ จ, จัดงานศพแต่ละงานเนี่ยกาต้องสูญเสียเกี่วกับเรื่องการประดับตกแต่งกันเลี้ยงผู้คนแพกเรือ ที่เกินจําเป็นบางงานก็หนักเข้าไปกีก็มีการโดยเฉพาะทางเหนือทางอีสานเราบางแห่งที่ชาวบ้านก็ทํำก็มีการเฝ้าศพมีการเล่นการพนันมีการเลี้ยงกันทั้งคืนเนี่ยมีการอืมหมอร้อยศพอะไรต่างๆเข้ามาประกอบซึ่งบางศพก็เป็นหมืน่นบางศพใหญ่ๆก็เป็นแสนอมีสักโภคมี ไฟปลาดับมีพุอะไรระนาดพาดค้องล้วแต่งานเล็กงานใหญ่ซึ่งเราจะเห็นว่าหลังจากคนตายผ่านไปนอกจากจะไม่คุ้มแล้วก็เป็นหนี้่ังค่ะกู้เงินเข้ามาทำประเพณีเหล่านี้สมมติเหล่านี้เราจะเอาออกได้ยังไงมันยากเพราะทำกันมานาน ดังนั้นในนักปฏิบัตินักวิปัสนาของเราเนี่ยจะต้องทำเป็นแบบแผนถึงแม้ว่าเขาจะตามไม่ตามก็ตามเราต้อ ง, ตงการให้คนฉลาดขึ้นสักวันหนึ่งคนที่เราเขาฉลาดขึ้นแล้วนี่เขาก็จะทาตามนี่ระยะยาวก็เป็นการลดการสูญเสียเงินทองลงแล้วเงินทองที่มาสูญเสียกับการที่เราทำวิปัสนาอุทิศก็เป็นประโยชน์นะเช่นมาผีหนังสือมา จัดเลี้ยงอาหารนักปฏิบัติซึ่งก็ไม่ได้สิ้นเปลืองมากมายของใช้สอยจำเป็นแล้วก็ไม่ได้เสื้ออะไรมากมายซึ่งมันเป็นบุญกุศล ม, มหาศาลถ้าจะว่าไปความจริงเราประรุคนตายเพื่อที่จะฝึกฝนคนเป็นนั่นเองโบราณท่านทางพุทธศาสนาท่านฉลาดเพื่อประรุคนเป็นให้เป็น เหตุเพ่จะยึงเพราะรกคนตายให้เป็นเหตุเพื่อจะดึงคนเป็นมาฝึกฝนมาปฏิบัติมาศึกษาออ mm hmm. ในพุทธศาสนาเต็มไปด้วยหลักของการให้การศึกษาเพื่อพัฒนาจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้นเรื่อยๆให้พ้นจากความเป็นเปรตเป็นสัตว์เป็นอาศีวกายเป็นนรกเป็นเดรัจฉานนให้พ้นจากภาวะอบายภูมืดให้สู่มาสู่สุขติภูมิอืม แต่งานประเพณีทั่วไปกลับไปตอกย้ำให้ความเป็นอยายภูมิเข้มข้นเข้มแข็งขึ้นทำให้คนจิตใจตกต่ำลงหมกมุ่นมัวเมาในการกินการสนุกสนานการเล่นไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะผู้นำในพิธีก็ดีพระสงฆ์ก็ดีไม่มีความอาถรรพ์ในการจะไปแก้ไขตรงนั้นเราก็จะต้อง มีความถ้าหักจัดได้ก็ต้องมีความเข้มแข็งพอด้วยที่จะเขาจะยอมรับซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายแต่นั้นเองถ้ามีโอกาสออกมาก็จะจัดงานศพแบบนี้เสมอไม่ว่าที่ทางเหนือทางอีสานก็ตามอันนั้นมันคุ้มค่าของการจัดเรื่องการป ร, รบับภพอุณหภูมิไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กมากเรา บางแห่งอย่างที่การหลวงพอเทียนที่บา้านบูหมเขาสั่งเอาไว้เลยคนตายที่เขาปฏิบัติเข้าถึงธรรมแล้วบอกถ้าฉันตายแล้วไม่ต้องวันนี้มูลพระมานะเก็บฉันไว้ทําเรื่องพี่เรื่องน้องแล้วเอาไปเผาเลยอย่างนั้นก็มีบอกว่าเขาบอกเขาสบายแล้วเนี่ยนิมนุษย์พระมาลําบากพระท่านลาบาก <Yeah. S 1> เสียเวลาเดินทางเสียค่ารถไม่มาต้องไม่ไม่ต้องมาส่งวิญาญาณฉันหรอกเาวิญญาณฉัน ไปสบายตนะั้งแต่ฉันไม่ตายแล้วนี่นักปฏิบัติธรรมที่เข้าถึงธรรมที่มีบ้านบูหงออกมาไปเห็นอยู่พอตายจริงๆลูกหลานเขาก็ทําใจได้เขาก็ไม่มีมูลพระ จ, จริงๆทําตามที่คนตายสั่งก่อนที่จะตายเขาก็บอกเขาไม่เชื่อไปตายคาสายหยุบสายยางตายคาน้ำเกลือในโรงพยาบาลก่อนที่เขาก็ปฏิบัติธรรมตลอดเขารู้เวล า, าที่จะตายด้วยนไปถึงวันตายเขาก็บอกลูกหลานนี้เอาไปกลางมุ้งที่กลาง ลานในห้องเอาไว้ทําแต่งนี่ดีๆเอาฉันไปนอนตรงนั้นแล้วพวกแกก็ปฏิบัติไปฉันก็จะตายอย่างสงบให้ฉันตายอย่างสงบอย่าเข้ามายุง่งเขาสั่งเอาไว้อย่างนี้นเลยพอถึงเวลาพอสินใจลูกหลานก็จัดตามประเฮดีนิดหน่อยแล้วก็เอาไปเผาซึ่งมันง่ายนั่นคือชาวพุธทธแท้จริงทุกอย่างมี แบบมีแผนเฉพาะของมันเองเป็นไม่ได้วยความประโยชน์และประหยัดแต่ผู้ตายก็ไปสุบผู้อยู่ก็สบายผู้ตายก็ไปสงกผู้อยู่ก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรไม่ต้องยุ่งยากแต่อันนั้นหมายถึงว่าผู้เข้าถึงทำขั้นสูงไปแล้วที่จัดอย่างนั้นได้ท่านั้นพวกเราทั้งหลายก็พยายามศึกษาปฏิบัติเล้พยายามที่จะพัฒนาการตายของเราเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับนั้นให้ได้การจัดพิธีสม ถึงจะไม่ถึงระดับนั้นก็ให้มาระดับนี้ก็ยังดีที่เราทำํำตอนนีน้ทีนี้ไอ้ความตายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าปุปปับมันเกิดมันก็สาเหตุไปจากการเกิดก็ต้องมีการแก่แล้วมีการเจ็บถ้าเราบริหารการแก่การเจ็บดีการตายก็จะดีการตายอย่างสง บ, บและมีประโยชน์ถ้าบริหารความแก่และความเจ็บเพราะความแก่และความเจ็บเป็นเหตุของความตายเรื่องบริหารที่เหตุ เลยบริหารที่ความตายมันไปได้แล้วเราเขาบริหารว่าเหตุที่จะซุ่มเสี่ยงให้เกิดความแก่และความเจ็บคืออะไรแล้วบริหารกันตรงนั้นซึ่งเมื่อคือนเราพูดถึงเรื่องความแก่ที่เป็นรูปและความแก่ที่เป็นนามก็บริหารแต่ถ้าหากเราอย่างบริหารไม่เป็นตรงนั้นเราก็ดูในส่วนที่เป็นรูปธรรมเทียบเข้าไปเช่นเนี่ย ถ้าจะวาดต้นไม้เนี่ระยะมันยาวไปเอาผักที่เราปลูกกินดีกว่าผักที่เราจะปลูกกินเนี่ยถ้าจะบริหารให้มันไม่แก่เกินไปทํำไงที่เราจะกินได้ก็คือเราต้องมีการเตรียมไว้ก่อนไม่ใช่หว่านทั่วไปมีการเตรียมแปลงเตรียมไรถ้าก็วานมาเมล็ดลงไปหว่านมาเมล็ดลงไปแล้วก็ต้องลดน้ําให้ทุกวันเช้าเย็น ในช่วงที่รดน้ําเพื่ออะก็เพืให้มันชุม่มมันงอกมันงามไวแต่งอกงามแล้วก็ต้องมีอุปสรรคก็คือมีแมลงมากัดมากินความแก่คือมันจะเริญเติบโตเป็นผักนะทีนีถ้าหากว่าอปล่อยให้มันแห้งแหละเกิดอะไรขึ้นความแก่ก็มาไว้ขึ้นถ้ามันยังชุ่มอยู่ความหนุ่มมันก็ยังยังอยู่ แต่ถ้าเมลมันแห้งนะเปิดไอโซล่าเซียวทิ้งเอาไว้มหมดนะถ้าเมล็ออมันแห้งเราก็เพิ่มเพิ่มน้าล ง, งไปถ้ามันมีแมลงก็หมายความว่าความเจ็บมันเข้ามาแล้วโรคภัยแ้าเจ็บเข้ามากินนะแมลงในร่างกายของเราก็มีแมลงมีไวรัสมีแบคทีเรียมีเชื้ออะไรต่างๆคอยกัดคอยกินอยู่เราก็ต้องบริหารตรงนั้นจะทำางานให้ แมลงเหล่านี้ไม่กัดกินเราที่นํามาสู่ความเจ็บนความแก่เกิดจากการฤดูการรฤดูการเมื่อความมันแห้งเกินไปมันอ่าแฉะเกินไปะมันลมมากเกินไปมันร้อนเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความแก่เพราะฤดูการแต่ความเจ็บนันเกิดเพราะเชื้อภายในเหมือนกับเราปลูกผักงามแล้วบางทีน้ํำก็ดีดินก็ดีแต่ว่าแมลงมันกิน อันความเจ็บมาแล้วคือแมะแลงเราก็บริหารร่างกายได้ต้องตามฤ ด, ดูกาลเรากินอาหารจืดเรากินน้ําอันนี้เป็นตัวเหมือนกับน้ํารดแปลงผักอะร่างกายก็จชุ่มชื่นพอลดเปลี่ยนฤ ด, ดูกาลมาเราไม่เป็นหวัดไม่เป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวความเจ็บป่วยที่จะให้เกิดความแก่ตามฤ ด, ดูกาลไม่มีเพราะว่าเราบริหารตรงนี้ดีอาหารอะไรที่จะเป็นการสูมเสียมไปสู่ความแก่ได้ไว้ อาหารลดจัดอาหารที่มากเกินไปอาหารสแสลงพวกนี้เรางดกินลดลงไปที่จะนําไปสู่ความแก่แล้วอาหารที่จะนําไปสู่เชื้อภายในที่เกิดแมลงอาหารหิบอาหารใดอาหารที่มันไม่สะอาดก็ให้เกิดความเจ็บเราก็ต้องงดต้องเว้นอาหารรดจัดหวานจัดมันจัดเผ็ดจัดเจียวจัดอะไรที่มันจัดจัดเนี่ยเราก็ให้มันจางลง มันก็จะไม่เกิดเป็นเชื้อที่จะไปทำลายชีวิตของเราความเจ็บก็น้อยลงนะความเจ็บน้อยลงความตายมันก็ยืดยาออกไปก็มีอายุยืนเห็นไมอันนี้การบริหารถ้าเรานึกถึงภาพที่เป็นส่วนของนา ม, มาทำไม่ได้ก็นึกถึงผู้ประทำเหล่านี้แหละนะในส่วนที่เราจะต้องบริหารแต่ในส่วนที่เป็นนามนะ เอาในรูปแบบอื่นบ้างถ้าสมมติว่าเราไม่เอาเรื่องอ่าปลูกผักปลูกต้นไม้มาเทียบล่ะที่มาดูไอของใช้ไม่สอยบ้างอย่างเสื้อผ้าเนี่ยมันมีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันความแก่ของมันก็คือมันเก่าใช้นานๆมันเก่าความเจ็บของมันก็คือมันขาดมันวินมันทะลุมันเปื่อนความตายของมันคือใช้ไม่ได้ ที่เนี่ยจะทำไงไม่ให้มันเก่าไว้ทำไงไม่ให้มันขาดไม่ให้มันเปื้อนไว้ทำไงให้มันใช้ได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องมีการบริหารจุดนั้นมีการรักษาความสะอาดมีการซักแล้วก็ไม่ให้มันเปื้อนแล้วก็ถ้ามันมีการเปื้อนมีการขาดก็ต้องปะต้องชุนต้องเย็บบริหารไปใจของเราชีวิตของเราก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่เรา ปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นเป็นรูปรธรรมในดีดีแต่พอ น, นามธรรมาเรากับปฏิบัติไม่ถูกมาใช่กับชีวิตกับปฏิบัติไม่ถูกชีเราเต็มไปได้วยความแก่ความเจ็บความตายตลอดเวลาแต่บริหารวัตถุเราบริหารได้ดีมากละเอียดแนบเนียนเพราะอะไรเพราะการศึกษาของเรามันมุ่งไปแต่วัตถุมันไม่ได้มุ่งถึงเรื่องของนามธรรมาดังนั้นก็จริงเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติมิปเสนา แล้วก็รู้ทั้งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจรูปธรรมนามธรรมเราก็บริหารสิ่งที่เป็นวัตถุและนามมาทำอนี้ไม่เป็นนี่ศาสนาทําให้เรารู้รูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกรูปทุกนามทุกรู้อนนี้จังทุกข์ขังนะตารารู้สมมติทาให้เรารู้สิงเหล่านี้ก็เหมือนเรารู้ขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงความแก่ความเจ็บความตายไม่ให้มาถึงเราไวเกินไป หรือมาถึงแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ดีความแก่ความเจ็บความตายมาไม่บีบคั้นทรมานเราในขณะใช้ชีวิตเป็นเรื่องของการจัดการนะพุทธศาสนาที่ที่ตรงไปตรงมาที่ถูกต้องคือการสอนให้เรารู้จักบริหารจัดการชีวิตในส่วนที่เป็นลูกทำนำ้ำทำเนี่ยให้ถูกต้องให้เป็นประโยชน์ แน่นอนความแก่ความเจ็บความตายมีเป็นธรรมดาแต่ในช่วงที่เราจะแก่จะเจ็บจะตายเนี่ยจะทำไงให้มันใช้ประโยชน์ได้นะยังทำงานได้ยังช่วยเหลือผู้อื่นได้ยังาสามารถทำงานได้ถึงแม้เราจะอยู่ในภาวะที่แก่ที่เจ็บที่ตายแต่ว่าเราก็บริหารจัดการความแก่ความเจ็บถึงตายให้เป็นประโยชน์นะ อันเนี้ยมันก็ต้องฝึกวิปั ส, สนาถ้าให้ฝึกวิปั ส, สนาให้เข้มแข็งแล้วเนี่ยเราก็ความแก่ความเจ็บความตายก็บีบคั้นเราไปเรื่อยๆแล้วทําอะไรก็ไม่ถนัดนะจะสงเคราะห์จะช่วยเหลือจะช่วยเหลือผู้อื่นก็ตัวเองก็เจ็บอดแอะเป็นนั่นเป็นนี่มีแต่ไปรบคนคนอื่นรบคนหมอรบคนพยาบาลรบคนญาติพี่น้องเพราะบริหารไม่เป็นนะบริหารตัวเองไม่เป็น แม้แต่นักปฏิบัติธรรมแล้วก็ตามแล้วยังไม่เกิดความเข้าใจไม่เกิดปัญญาก็บริหารความแก่ความเจ็บความตายไม่เป็นนะก็ทําประโยชน์ก็ไม่ได้เต็มที่แล้วทีเนี้ยก็คานั่นค้านนี่เป็นนั่นเป็นนี่ไปก็เป็นภาระของกันและกันไปนะเราจะเห็นว่าเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากถ้าเราใช้ชีวิตประมาทตกเป็นทาสของวัตถุ ติดเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องสนุกไปวันๆก็แน่นอนโลกนี้ก็เต็มไปด้วยกองทุกข์เต็มไปด้วยกองทุกข์กองปัญหาเราก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการความสุขความทุกข์ได้ให้เป็นประโยชน์ความจริงความทุกข์เนี่ยถ้าเราบริหารมันเป็นมันกลายเป็นพลังงานนะอย่างไฟเนี่ยถ้าบริหารมันเป็นเราจะใช้พลังงานเรานั้นหนุงข้าวต้มแกงเป็นแสงสว่าง เป็นพลังงานในการใช้สอย ด, ดังต่างๆแต่ถ้าเราบริหารมันไม่เป็นไฟก็สามารถที่ช็อตเราตายเผาเราตายไหมเราบ้านเรือนเราได้ความทุกข์ที่ในกายของเราถ้าบริหารมันเป็นถ้าใช่มันเป็นพลังของชีวิตใช้เป็นแสงสว่างของทางปัญญาแสงสว่างทนางนจิตใจก็ได้ไทีนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเราไม่เข้าใจว่าเราปฏิบัติวิปัสนาไปทาไม ปฏิบัติกรรมฐ า, านไปทำไมเราไม่เข้าใจแต่พอเป็นลูกประธรรมเรากลับเข้าใจนะเราทำการทำงานเพื่ออะไรเพื่อให้ได้เงินทองมาเอาเงินทองไปใช้อะไรเพื่อจะบริหารชีวิตให้มันเป็นไปได้ในสังคมเรารู้เราเข้าใจเราก็ขนขวายเพราะมันเป็นวัตถุมันจับต้องได้มันสัมผัสได้ แต่ชีวิตมันมันไม่ได้มีวัตถุส่วนเดียวมันมีนามมาทาด้วยไม่มีเรื่องกายอย่างเดียวมีเรื่องใจด้วยเรากับบริหารได้เรื่องรูปและกายได้ส่วนหนึ่งคนไหนที่ฉลาดมากมีการศึกษาดีก็บริหารได้ดีในส่วนรูปคนไหนมีความฉลาดน้อยบริหารไม่ค่อยเป็นก็แล้วก็รายได้ก็น้อยก็ยากจนไปตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นก็มีการศึกษาในส่วนแต่รูปแต่ในพุทธศาสนานั้นจะให้การศึกษาทางด้านนาม แต่คนกลับไม่เข้าใจไม่สนใจผู้ศาสนาก็มีค่าน้อยลงน้อยลงเราบริหารจัดการและด้านนามมาทำไม่เป็นความทุกข์ครอบงำทั้งกายทั้งจิตเพราะการศึกษาทางกายนะมันเข้าไม่ถึงจิตนักวิยทยาศาสตร์แต่ระดับขนาดไหนก็ตามเข้าไม่ถึงจิตเข้าไม่ถึงวิญญาณแต่ว่าเขาเข้าถึงเฉพาะวัตถุนักวิยทยาศาสตร์แต่พระพุทธเจ้าและพระหันธ์ทั้งหลายนะั่นเข้าถึงศาสตร์ของจิตวิญญาณท่านก็นํามา บอกมาแสดงแต่เนื่องจากว่าความเปลี่ยนแปลงของการเวลาที่ว่านิจังทุกขัขอหน้าตาสาวกชั้นหลังมาก็ไม่เข้าถึงคุณธรรมเหล่านี้คัน้นลึกซึ้งจะนำมาเผยแพร่แก้ไขให้คนชั้นหลังเข้าใจก็ไม่เพียงพอก็เสื่อมไปตามสภาพอันนี้ก็คือความเป็นจริงของเหตุปัจจัยแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าท่านจะ ล่มหายตายจากไปท่านดานั้นที่เป็นพระอริยเจ้าแต่ท่านก็ยังมีคําสอนมีตํำรับตาําราเหลือไวให้ศึกษาเพราะสิ่งที่ท่านเข้าถึงนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เรื่องของลึกลับแต่เป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ชี้แจงได้ออกมาเป็นตํำรักตาราเป็นพระไตรปิฎกแต่เราก็ยังศึกษาก็ไม่ถูกอ่าเพราะขาดอะไรขาดกิริยาณมิตรอขาดการขอนควายขาดการเลื่อนเล้า ศรัทธาขาดความเพียรทําทุกอย่างก็เป็นไปเพื่อวัตถุทั้งหมดจะทําอะไรสักอย่างก็เป็นไปเพื่อวัตถุไม่ได้ปลาลบถึงนามาทำงานประทีดีทั้งหลายก็เป็นไปเพื่อวัตถุไม่ได้เป็นไปเพื่อนามาทำไม่ได้เป็นไปเพื่อปรมัตดแม้แต่นักปฏิบัติธรรมเสียใหญ่ที่เขยังเข้าไม่ถึงธรรมก็ขนขวายไปเพื่อเพื่อการดํารงอยู่ของวัตถุไม่ได้ขนขวายไปเพื่อความเจริญเติบโตของปรมัตด แังนั้นเองความแก่ความเจ็บความตายนั้นมันจึงไม่ใช่อุปสรรคของชีวิตแต่มันเป็นขบวนการการศึกษาให้ชีวิตนี้มีความ <c oughs> เป็นประโยชน์สูงสุดเพราะการเกินการเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดยากเมื่อเกิดมาแล้วจะให้เป็นประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรก็อยู่การบริหารจัดการแต่การบริหารจัดการก็ต้องมีการเรียนรู้มีวิชาเหมือนทางโลกมีการเรียนรู้การวิชาวิปัสสนาเนี่ย มันก็ได้อสูญหายไปเพราะการสื่อสารมาไม่แยบคายก็เหลือวิชาสมถะนะวิชาสมถะคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่วิชาวิปัสนาคือการแก้ปัญหาระยะย า, ยาวชีวิตการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้นคือทางรูปรูปนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้นแต่การที่จะไปแก้ปัญหาทางนามนั้นต้องแก้ปัญหาระยะย า, ยาว เช่นอะไรเช่นเรานั่งในอีบุตรนานๆมันปวดเราแก้ปัญหามันก็หายไประยะสั้นก็ต้องแก้เรื่อยๆปัญหาระยะสั้นนี่ไม่มีมีที่ส้นสุดแต่ปัญหาทางนามสมมุติว่าเรามีความโกรธ ถ, ถ้าเราใช้สมรถะเข้าไปแก้มันก็หายไปในพักหนึ่งพอมีการกระทบอีกมันก็โกรธอีกมีความโลภ เราสมถะไปแก้เราสะกดความโรคไว้พักหนึ่งพอมีเหตุปัจจัยให้โรคอีกมันก็โรคมาอีกมันไม่สิ้นสุดถ้าใช้สมถะแก่แต่พอใช้วิปัสนาแก้คือเราถอนรากถอนโคนเหมือนกับเรารักษาโรคใช้วิธีการผ่าตัดวิปัสนาคือการผ่าตัดสมถะก็คือการกบการกดการคมคือการยั้งอาการไว้ชั่วคราวคืออาการของสมถะแต่วิปัสสนานั้นคือการ แก้ไขแบบถอนรากถอนโคนแล้วเด็ดขาดเป็นระยะยาวนั้นเราก็ต้องแก้ไขทั้งสองระดับทั้งระยะสั้นและระยะยาวแก้ไขไปเรื่อยๆแต่คนส่วนใหญ่ก็เอาระยะเดียวคือแต่ระยะสั้นระยะยาวไม่สนใจความทุกข์และปัญหามก็เกิดไม่ใช่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพระอริยเจาพระหันทั้งหลายท่านเห็นความสําคัญตรงนี้ท่านก็เอาทั้งสองระดับทั้งสมถะและวิปัสสนาชีวิตท่านก็เลยเป็นชีวิตที่ประเสริฐเรียกว่าอริยะ คือเป็นชีวิตที่ประเสริฐนั้นเองเราทั้งหลายก็เรียนรู้เพื่อที่จะไปสู่จุดนั้นแต่เรายังขาดความเข้าใจขาดกระะารยานมิตรขาดความรู้ในส่วนนี้แล้วก็มาช่วยกันอย่างนี้แหละคือมาศึกษามาเข้าคอร์สมาปฏิบัติร่วมกันทําความเข้าใจกันทดสอบพิสูจน์ปฏิบัติไปแล้วก็เอามาวิเคราะห์วิจัยกันว่าใครเป็นอย่างไรในแต่ละวันในแต่ละ เฉพที่ผ่านไปเราเข้าใจตามที่เราต้องการไหมเราต้องการอะไรนะเราต้องการแกนแกขปัญหาที่ทั้งได้ทั้งเฉพาะหน้าและทั้งยั่งยืนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นกายมันเจ็บ ป, ป่วยป่วยก็รู้จักแก้เป็นกายมันมีปัญหาก็รู้จักแก้เป็นเนยรู้จักวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือทางกายทางรูปและรู้จักวิธีแก้ปัญหาระยะยาวคือความโลภโกรธหลง มันสร้างปัญหาระยะยาวมาให้แก่เราตั้งแต่หลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันถ้าเราแก้มันไม่ได้มันก็จะทําให้เราเกิดอีกหลายภพหลายชาติหลายกับกหลายกันและระยะยาวทีนี้จะทำไงให้มันสั้นลงเพราะถ้ามันเป็นปัญหาตลอดแล้วก็ทุกตลอดไม่มีหวังที่เราจะจบได้ก็ต้องแก้ด้วยกันแล้วแก้ฝึกแก้ปัญหาทางกายไปก่อนแล้วก็เอาปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์ที่แก้ปัญหาทางกายไปแก้ทางจิตนี่คือวิธีการเรียนรู้ เราแก้ปัญหาทางด้านสมมุติทางกายให้เป็นแล้วได้ประสบการณ์จากขั้นแก้ปัญหาสมมติทางกายแล้วก็ไปแก้ปัญหาทางด้านปรมัตร์ทางด้านจิตใจของเรานี่คือการเรียนรู้พุทธศาสนาเป็นบาตรฐานต้อกันอะไรกันไม่ใช่ฝึกกายดีแล้วอจะตั้งใจจะฝึกจิตไม่ใช่อย่างนั้นในช่วงที่ฝึกกายเนี่ยมันก็มีการฝึกจิตไปด้วยมันก็มีการเรียนรู้ไปด้วยอืดฉะนั้นจึงไม่อยากจะให้เราเสียเวลาไหนๆแล้วก็มีศรัทธา ม, มาทางนี้แล้วเนี่ย ก็ต้องทํากันให้ถูกต้องมีศรัทธาและมีความเพียรคนที่ไม่มีศรัทธาและไม่มีความเพียรก็ต้องปล่อยให้ทุกข์ต่อไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าเขาจะเกิดปัญญาแต่พุทธศาสนานน้นให้เกิดปัญญาเท่านั้นนะปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่เป็นญาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิปัญญาที่เป็นมิจฉ า, าทิฏฐิคือไปสนใจในเรื่องรูปเรื่องกายเรื่องสมมุติเป็นหลักไม่เข้าถึงปรมาจิตไม่ถึงเข้าเรื่องไม่เข้าถึงจิตวิญญาณได้แต่ปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะ เข้าถึงทั้งสองส่วนทั้งที่เป็นรูปก็ทั้งที่เป็นนามด้วยแต่ปัญญาที่เป็นมิจฉาทิฐิก็จะเข้าถึงการแก้ปัญหาในส่วนเดียวคือในส่วนรูปเท่านั้นหรือบางแทีแก้ไม่ได้ด้วยเพราะมันเข้าใจไม่ถูกเพราะนั้นเราจะเห็นว่าหมอก็ตายเป็นหมอก็ป่วยเป็นหมอก็เป็นโรคร้ายแรยงเป็นทั้งทั้งที่เขาชำนิชำนาญในแก้แก้ปัญหาเรื่องรูปแล้วเขาก็ยังป่วยยังตายอยู่ แล้วคนธรรมดาที่ไม่ใช่หมอจะขนาดไหนถ้าไม่มีการฝึกฝนด้านวิปัสนาแต่เมื่อเราฝึกฝนด้านวิปัสนาแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่คนนั้นเป็นหมอเลยอย่าว่าแต่คนนั้นไม่เป็นหมอเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็สามารถแก้ปัญหาทั้งรูกทั้งนามได้ดีนั้นพระพุทธเจา้าจึงเป็นแพทย์ของโลกคือให้วิชาการด้านวิปัสนาเข้ามาแก้ไขปัญหาความทุกข์ทั้งลูกทั้งนามรักษาโรคที่เป็นต้นเหตุของโลก ไม่ใช่ปลายเหตุของโลกต้นเหตุของโลกก็คืออะไรคือมาจากจิตเป็นสมุทฐานจิตเป็นสมุทฐานของโลกถ้ารักษาที่จิตได้ก็รักษาที่กายได้แต่นั้นเราจะทํำยังไงที่จะเข้าถึงวิชานี้ก็คือต้องฝึกฝนปฏิบัติถ้าฝึกฝนปฏิบัติก็คือพัฒนาการสํารวจตรวจสอบเฝ้าดูวิเคราะห์วิจัยตัวเองไปเรื่อยๆให้เห็นสมุทฐานทั้งหยาบกลางละเอียด สมมติว่าเรานั่งเนี่ยปวดขาเนี่ยมันหยาบแล้วทีนี้จะทํำไงให้มันได้ลเอียดก็ขยับให้มันหายไปแล้วจั่งต้นใหม่จากละเอียดมันกลายเป็นกลางไงกลายเป็นหยาบยังไงก็ศึกษาดูตรงเนี้ยความคิดก็เหมือนกันบรรยากาศเป็นความคิดที่ปุงแต่งที่รุนแรงมันก็จำความคิดปุงแต่งเล็กๆน้อยๆมาก่อนไอ้ช่วงที่มันปุงแกงเล็กๆน้อยเนี่ยเราทันมันไหมปุงแต่งแบบละเอียดเนี่ยเราทันไหมถ้าไม่ทันเดี๋ยวมันก็เป็นปุงแต่งระดับกลาง เมื่อระดับการเราก็ยังไม่มีสติปัญญาเฉรู้มุทเท่าทันอีกมันก็พุ่งแก่นแบบหยาบนะฮะเมื่อพุงแกงแบบหยาบมันก็กลายเป็นทุกข์เรแก้ยากเราเป็นปลายเหตุแล้วเห็นไหมเพระพุทธศาสนาวางหลักในการแก้ไขปัญหาที่งสามระดับที่ฉันใช้กับว่าอาธิกา ร, รยานังแก้ได้ในเบื้องต้นได้อย่างดีมัชเชีก ร, ริยานังแก้ได้ในท่ามกลางได้เป็นอย่างดี ประโยชสาการยานังแก้ได้ให้บ้านปลายก็เป็นได้เป็นอย่างดีเหมือนกันหมายความว่าไงหมายความว่าเบื้องต้นที่มันเริ่มเกิดเนี่ยเราก็รู้จักมันโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่ว่าจู่ๆมันจะเกิดมันจะต้องมีเหตุเบื้องต้นาการสั่งสมความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆการสั่งสมความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นเบื้องต้นทังหมดเราแก้ไขเป็นไหมมันยังไม่ที่มีอาการอะไรแต่บางคน ไม่ได้ศึกษาวิปั ส, สนาอาการเขาบอกความเจ็บป่วยตั้งแต่นานแล้วแต่เราอ่านไม่ออกเพราะเราไม่มีวิปั ส, สนาเรามองไม่เห็นพอรู้ทีเดียวไปอาเป็นมะเร็งขั้นที่สามที่สี่ไปแล้วความจริงมันก็บอกอาการเราตั้งแต่เป็นขั้นที่หนึ่งแล้วแต่มันไม่ได้บอกอาการโดยตรงบอกอาการโดยอ้อมแต่เราไม่มีวิปั ส, สนาที่จะไปอ่านมันออกได้มันก็จะต้งไปรับผลเบื้องปลายคือประโยชน์สารก็นั่นคือผลของกรรมละผลของความที่เราประมาท ในพุทธศาสนาก็คือเราประมาทตั้งแต่เริ่มต้นที่เรามองไม่เห็นโลกนะถ้าจะว่าไปอดีตกรรมเนี่ยแทบจะไม่มีอิทธิพลอะไรแต่ถ้ า, าเราจัดการปัจจุบันกรรมได้ดีเนี่ยบางทีอดีตกรรมต่างๆมันก็จะสามารถเยียวยารักษาได้แต่ถ้าอดีตกรรมมีเพียงเล็กน้อยแต่ว่าเราป จ, จัดการปัจจุบันกรรมไม่ดีเนี่ยไอ้อดีตกรรมเพียงเล็กน้อยมันกลายเป็นใหญ่ขึ้นได้ได้เหมือนกันนะเหมือนกับ เรานั่งรถไปเนี่ยมันรถเนี่ยอาจจะไม่ดีคืออดีตกรรมไม่ดีรถอาจจะมีปัญหาแต่เรารู้จักบริหารจัดการไอการที่มันเสียเนี่ยเราดูอาการค่อยแต่งค่อยแก้ไปเรื่อยๆไอที่มันเสียมาม า, มากๆมันกลับไม่เป็นอันตรายเพราะเราบริหารจัดการดูแลช่อมแซมดีแต่ว่ารถบางคันมันเป็นเพียงเล็กน้อยเนี่ย แต่เราไม่ค่อยสนใจมันแล้วก็ใช้มันไปเรื่อยๆไอ้ตัวเล็กน้อยนี่มันพัฒนาไปทุกๆวันวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาถึงนูอ๋อไอ้ตัวนั้นลืมแก้ไขตรงนั้นชีวิตเราก็เหมือนกันบางทีความรักความชังความชอบไม่ชอบเล็ก ๆ, ๆน้อยๆเนี่ยเราลืมดูมันมันก็พัฒนามันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีสติมีวิปัสสนาไอ้ความรู้สึกที่เป็นอกุศลเล็กๆน้อยๆเราแก้ไขมันทันทีมันก็ไม่พัฒนาตัวเองไปถึงจุดสุดท้าย เพราะฉะนั้นตรงนี้คือต้องอาศัยความไม่ประมาทไม่ขาดสติดูเหตุแม้แต่เล็กน้อยความรักความชังในสมัยที่เราไม่มีสติไม่มีวิปัสสนามันพัฒนาไปถึงที่สุดของที่สุดของมันมันก็ให้บทเรียนแก่เรามากมายให้เราเป็นทุกข์มาไม่รู้เท่าไหร่ลุม้มลุกคุกคันมาไรู้เท่าไหร่เรากไ็ได้บทเรียนจากมันแล้วแต่เราก็ไม่รู้วิธีที่จะแก้แบบถาวรเราก็บทเรียนนี้มันสอนเราแล้วเราอีกแต่เราไม่เคยจําเราไม่เคยคิดที่จะออกจากมัน อันนั้นคือความทุกข์ของมนุษย์นะถ้าหากเราเคยทุกข์อย่างสาหัสมาแล้วครั้งหนึ่งมันคนที่จะเป็นบทเรียนที่จะความทุกข์สาหัสตรงนี้ต้องไม่มีอีกหรือมีน้อยลงเราก็คือต้องศึกษาวิปัสสนาเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาวิปัสสนาบทเรียนเหล่านี้ไม่มีประโยชน์นะทุกแล้วทุกอีกทุกซ้ำซากผิดหวังซ้ำซากนะเดือดร้อนซ้ำซากนะเพราะอะไรเพราะไม่มีวิปัสสนา แต่ผู้ที่มีมวิปัสนาฝึกฝนวิปัสนาความทุกข์ครั้งที่หนึ่งจะต้องเป็นบทเรียนที่จะไม่ให้เกิดความทุกข์ครั้งที่สองที่สามที่สี่คือไม่ให้ทุกข์ซ้ำซากมีการพัฒนาศึกษาเรียนรู้บทเรียนเหล่านั้นให้ดีแล้วแก้ไขไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าไม่เจ็บป่วยและนะ้วนั่นร่างกายและจิตใจชีวิตก็มีความหมายเรามีอายุขายมากขึ้นก็สติปัญญาก็ยังดีอยู่ร่างกายก็ยังดีเราช่วยมนุษย์ช่วยเพื่อนมนุษย์ช่วยสังคมได้มากมายไม่ต้องเป็นภาระของสังคม แต่อันนี้เราอายุสามสิบสี่สิบเริ่มเป็นภาระของสังคมเป็นภาระของครอบครัวเป็นภาระของประเทศชาติแล้วประเทศชาติก็อย่างที่เราเห็นนะ่ยเดือดร้อนเป็นหนี้โดยรวมมหาศาลเพราะอาศัยความประมาทของประชากรรัฐเองก็ไม่สามารถให้การศึกษาที่ถูกต้องได้ดังนั้นเองเราก็ต้องมาจัดการค้นขวายการศึกษาด้วยกันเองนะก็จึงอยากจะให้ พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้ข้อมูลเหล่านี้ที่ถูกต้องแล้วเอาไปปฏิบัติแก้ไขดูซึ่งไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเป็นเรื่องที่ง่ายๆตรงๆแต่ว่าเรามีสติรู้เท่าทันไหมตรงนี้เป็นจุดสำคัญของการศึกษาไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วเราทำแล้วแต่เกิดปัญหาขึ้นมาแก้ไม่เป็นแล้วก็ก็ไปปล่อยให้มันปัญหาที่มันแก่ตัวแล้วถึงจะมาแก้มันก็ตาย แต่ปัญหาที่มันเริ่มต้นที่มันกําลังเกิดกําลังเป็นอยู่กําลังดําเนินอยู่เรากลับมองไม่เห็นเพราะเรขาดสตินะเพราะฉะนั้นสมุทัยของทุกเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลแต่จะทำอย่างไรที่จะพัฒนาสติปัญญาให้มารู้สมุทัยเหล่านี้แล้วแก้มันเสียให้ทันนี่เป็นหน้าที่ของวิปัสสนาที่เราจะต้องปฏิบัติ แต่ถ้าเราปฏิบัติวิปัสนาแล้วเนี่ยยังไม่เกิดสติปัญญาสามารถแค่สมุทัยของทุกได้อย่างครบถ้วนเนี่ยวิปัสนาที่เราปฏิบัติก็ไม่ถูกหรือถูกแต่ว่าเราใช้ไม่เป็นเหมือนนั่นเราหาเงินมาเนี่ยเราได้เงินจริงแต่เราใช้เงินไม่เป็นเงินก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าไปเกิดได้เงินเก้ามานอกจากใช้ไม่เป็นก็เสียเวลาอีกแต่นี้เราได้เงินจริงมาได้ทองจริงมาแต่เราใช้ไม่เป็น มีเงินมีทองก็ยังจนยังทุกอยู่เหมือนเดิมเลยบริหารเงินไม่เป็นเหมือนกันนะเราปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงแต่กับบริหารธรรมะไม่เป็นอันนี้ก็มีประโยชน์น้อยนะบริหารสติให้เป็นบริหารสมาธิให้เป็นบริหารปัญญาให้เป็นก็จะทําให้เรานําธรรมะนั้นมาแก้ไขสมุฐานของทุกได้อย่างครบถ้วนในรอบด้านความทุกข์ของเราก็ลดน้อยไปลดน้อยไปสบายทั้งกายทั้งจิตสติปัญญาของเราก็เพิ่มพูนมากขึ้น และสติปัญญา น, นี้ก็จะเป็นแสงสว่างส่องช่วยเหลือคนอื่นได้มากมายนะฉะนัะ้นก็จึงอยากจะให้งานเนี่ยเป็นงานที่เราได้ประโยชน์โดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาเข้าบิชชี